เรื่องกรรมที่สงปัญจวัคพึงทำรามร้อภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงปัญจวัคพึงทรรมสงมีภิกษุณีเป็นที่ห้าทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงปัญจวัคพึงทรรมสงมีสิกขานาเป็นที่ห้าละ มีสามเณรเป็นที่หมีสามเณรีเป็นที่หมีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่หมีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่หมีภิกษุผู้ถ um ูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตเป็นที่หมีภิกษุผู้ถูกสง์ลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตเป็นที่ห้า มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่หมีบรนเดาะเป็นที่หมีคนลักเพศเป็นที่หมีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีเป็นที่หมีสัตว์เดียรฉานเป็นที่หมีคนผู้ฆ่ามารดาเป็นที่ห้ามีคนผู้ฆ่าบิดาเป็นที่ห้า มีคนผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่ห้ามีคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ทำลายพระศ า, าสดาจนถึงห่อพระโลหิต ah เป็นที่ห้ามีอุพโตพยัญชนกเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นที่ห้า มีภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยริษเป็นที่ห้าสงทำกรรมแก่ภิกษุใดภิกษุนั้นเป็นที่ห้าทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำเรื่องกรรมที่สงปัญจวักพึงทำจบ